วันนี้รับพรเสร็จกเราลงไปรับทานในครัวข้างล่างไม่มีพิธีดีตองอะไรดอก ว, วัดป่าเจ้าคณะจังหวัดท่านท่านรับมามานั่งเป็นกรรมฐานมานั่งเป็นพระอภิชายะให้ทงังทั้งที่ท่านก็ไม่ค่อยสบายนะฟังดูแล้วท่านไม่ค่อยสบายแต่ท่านเมตตาท่านมา มารับมานั่งเป็นพระอุปชายะให้แต่ท่านจะฉันเสร็จมาเมื่อก่อนนั้นท่านมาฉันที่นี่ท่านแพ้แพ้ชูรสแพ้ชูรสรุนแรงมากแพ้ชูรสขนาดเรารับปาว่าจะให้เขาทำพิเศษพิเศษแต่ยังไม่แน่ใหจท่านฉันเสร็จมากล่าวว่าจะมาให้ทันช่วงนี้แหละก่อนสามมองช่วงระหว่างสามมองนี่แหละ ีก็จะสองโมงแล้วจะสองโงแล้วเดี๋ยวนี้มันสายสายสายช้าสว่างช้าหกโมงหกโงกว่าสว่างที่เราที่นี่หกโมงกว่าถึงสว่างน ะ, ะหกโมงกว่าหกโมงสิบนาทีนะ่ะ วันนี้บวชนาคสีนาคนะวันนี้านาคเซิร์ดเชียงใหม่นาคป๋องนาค ก, กินนาคอะไรอีกหนึ่งพอตกรุงเทพบวชนาคให้เป็นพระบวชนาคให้เป็นพระไอ <c oughs> ยู่แบบวัดป่านั่นแหละ เาอยู่แบบวัดป่าแต่มีข้อวัดรรมมีข้อวัดปฏิบัติพาทาวัดสวดมนต์พนั่งภาวนาปัดกวาดเช็ดถูทำเนียมข้อวัดสายวัดป่าของครูบาอาจารย์ของเราทีเกียจีเกียดขนาดไหนก็ต้องได้ไปเพราะมันเป็นช่วงบังคับก็มีไปนั่งภาวนาไปสวดมนต์ เป็นธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ก่อนยุคพุทธกาลมีการออกบวชเพราะการออกบวชนี้มีมาประจาโลกสิ่งที่มีมาประจาโลกสามอย่างทานทานอบพัชาพชาบรรพชาคืออุปสมบทเนี่ยบรรพชาทานปับปับบรรพชามาตาปิตุปัฏฐาน ควรุงมารดาบิดาสมอย่างนี้มีเป็นของมีมาประจํารอกดั้งเดิมโอกมนุษย์เราอยู่ด้วยการเผื่อแผ่เจือจานแจกจ่ายกันและกันเป็นทานเพราะว่าคนหนึ่งมีกําลังมากคนหนึ่งมีมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมากก็แบ่งปันกับผู้มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยน้อยผู้มีกําลังหาได้มากผู้ไม่มีกําลังหาได้น้อย แล้วก็ผู้ไม่มีกําลังหาได้เลยอาศัยอยู่ได้เพราะอํานาจทานทานชิ้นแรกที่ พ, พวกเราได้ทานกันมาทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยรับทานจากใครทานชิ้นแรกที่เราได้มาจากพ่อจากแม่คืออัตภาพร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละคือทานก้อนหนึ่งแหละเพราะแม่ให้เรามาแล้วอทานก้อนนี้เป็นทานได้มาโดยหลักธรรมชาติ ปฏิเสธไม่ได้แลวก็ไม่ใช่ได้มาบปล่าเปล่าด้วยนะได้มาแล้วเป็นหนี้บุญหนี้คุณทุกคนเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่เราดูเราอยู่ในท้องแม่แม่ต้องอุ้มท้องกี่วันกี่เดือนแก เ, เดือนเก้าเดือนก่จะออกมาทุกอย่างลำบากขนาดไหนผู้ที่อุ้มท้องเนี่ยรู้จักดีพ่อแม่แม่ที่รู้อุ้มท้องเนี่ยรู้จักดีบุญคุณส่วนนี้ใครปฏิเสธไม่ได้ มหาปราดบัณฑิตขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นบัณฑิตทั้งฝ่ายพุท ธ, ธานั้นน่ะเขารับยกย่องเชิดชูบูชาเหมือนพระอาหารหันต์องค์หนึ่งหนึ่งไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นบุญคุณของพ่อของแม่เลี้ยงดูให้ดีขนาดไหนก็ตามสนองไม่หมดทันวันสนองบุญคุณท่านไม่หมดยิ่งคนไม่รู้จักบุญคุณด้วยแล้วเนี่ยมันรู้จักไปจักไปสนองอะไรมันก็ยิ่งทับถม การทับถมเหล่านั้นคือกรรมกรรมเหล่านี้มันไม่ไปทับถมใครทับถมตัวเองทําให้ตัวเองหนักทํานั้นก็ไม่ขึ้นทํานี้ก็ไม่ขึ้นยกอันนั้นก็ไม่ขึ้นยกอันนี้ก็ไม่ขึ้นหนักหนาสาหัสสติปัญญามืดเตึบกรรมมันทับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราไม่ควรมองข้ามลูกบุญชายเราถือว่าได้บวชแทนบุญแทนคุณ ความหมายว่าบวชแทนบุญแทนคุนนั้นเป็นการจูงพ่อจูงแม่จูงพ่อจูงแม่แบบนี้ไม่ใช่จูงตอนเขาเอาไปป่ายช้าเป็นการจูงเข้ามาหาศีลหาธรรมนี่ท่างถือว่าเป็นการจูงพ่อจูงแม่ถ้าอยู่ในภาวะแบบนั้นที่เขาว่าเขาว่าเขาจูงไปป่ายช้าเนี่ยเขาจูงหรือไม่จูงไม่มีใครสนดอกเขาเอาไปทิ้งแล้วแต่นี่คือจูงพ่อจูงแม่ทั้งเปลี่ยน เรามีลูกชายตั้งแต่พุทธกาลมาท่านก็นถือว่าลูกชายลูกหญิงนี้จูงพ่อจูงแม่ได้เพราะฉะนั้นปา้าโสกนั้นนะไปทำทำบุญกับพุทธศาสนามามากมายมหาศาลไปสร้างสถูป8 4 0 0มส่พันสถูปทวชุมพูทวีปอ่แล้วก็หาพระธาตุบรมสารีริธกธาตุไปบรรจุเแลกมาถามพระโมคคัลลบุตรติสสะเทระยอมได้ทาบุญกับพระพุทธศาสนา มากขนาดนี้แล้วเนี่ยยอมเป็นญาติและยังบอกว่ายังยังไม่ได้เป็นญาติเอ๊ะทาไมจะได้เป็นญาติมีลูกชายให้บวชลูกหญิงให้บวชพระเจ้าศกจึงได้บวชมหินทคกุมานกับนางสังคมิตาเทรีเนะี่ยในสุลมะบวชเป็นภิกษุณีชื่อปรากฏสุดท้ายที่สุดจากนั้นแล้วชื่อภิกษุณีก็หายสาบสูญไป เพราะการเป็นภิกษุณีนั้นนะ่ะมีข้อระเบียบที่ละเอียดทียิบอืแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านถือว่าคําสอนของพระองค์เนี่ยไม่ต้องเป็นภิกษุณีกศ็ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้ซื้อศีลห้าก็บรรลุธรรมได้อืแต่หากถ้าหาผู้รักเพศรักเพศรักศีลเช่นอย่างรักเพศเนี่ย แม้แต่อย่างทุกวันเราก็ถือว่าภาคขาวแม่ชีแม่ขาวดีเราก็ถือว่าเป็นเพศอย่างหนึ่งเป็นสัมมาเนนนี่เป็นเพศผ้าเหลืองเป็นพระพิสุสงฆ์เป็นเพศผ้าเหลืองเป็นพิษุนีเป็นเพศผ้าเหลืองบางคนรักศีลรักเพศศีลมันจะเปลี่ยนไปศีลแปดแม้ขาวศีลแปดสัมมเนงก็ศีลสิรักศีลรักเพศพอได้มาครองอยู่ในเพศที่ว่าศีลห้าอ๋อศีลสิบ โอ้สองี่สิบโอ้สิน311เนี่ยมันมีกําลังใจบางคนมันภาคภูมิใจมันเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนกันนะบางคนมีความภาคภูมิใจกับเรื่องเพศของตัวเองเนี่ยมานุ่งมัดหอมนุ่งเหลืองหอมเหลืองอะไรโอ้มันกระยิมยิ้มย่องมันภาคภูมิใจแต่รักมาอย่างนี้ก็สมัครมาอย่างนี้ตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่สั้นสอนก็หลุดไปได้พ้นไปได้ถึงไม่ตั้งใจจะรักเพศสนใจเรื่องเพศ แค่มีศีลห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งใจปฏิบัติให้จิตได้รับความสงบพิจารณาเรื่องอัดเรื่องธรรมมันก็เปลี่ยนไปก็สามารถทำให้ผลนทุกพ้นโทษได้มีสาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นศีลสินเ2็หรือ311เท่านั้นถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่ตั้งแต่รักษาศีลห้าพื้นๆแต่ข้อสาคัญเบื้องต้นจะต้องมีความสงบ จิตใจของเราจะต้องสงบไม่ว่าวุ่นไปกับรูปกับเสียงกับกลิน่นกับรสไม่คุยกันไม่คุยกันถ้า <c oughs> หากว่าวุ่นไปกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนี่ยแสดงว่าใจของเรามันยังผัวพันในกามเหมือนกับไม้สดสดนั่นแหละเอาไปเอาไปถูให้เกิดไฟมันเกิดไม่ได้รู้ทีเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม้สดสดเอาไปเสียให้เกิดไฟเกิดไม่ได้ ผู้ที่มีใจสงบใจสงบศิ้นห้าเขาก็สามารถไปภาวนาใใจสงบได้สิ้นห้าสิ้นแปดเนี่ยไปภาวนาใใจได้รับความสงบได้เมื่อใจได้รับความสงบแล้วมาพิจารณาในแง่สัจธรรมสัจธรรมมันก็ปรากฏชัดทําให้เห็นคุณเห็นโทษได้ได้แล้วก็ปล่อยได้ละได้วางได้เรื่องเบื้องต้นจะต้องทําความสงบใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นคราวญเราก็ไม่เสียท่าเสียที เราอยู่ในฐานะที่ว่าเราทำใจให้ได้รับความสงบได้แต่ถ้าเราบวชเข้ามาแล้วมันได้เพศบางคนชอบเพศ ร, รักเพศโอ้ยกริม๊มยิ้มย่องเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่มันช่วยพยุงจิตใจของเราเกิดความเคลื่อนสายศรัทธาในศาสธนธรรมของพระพุทธเจา้าการที่เกิดความเคลื่อนสศรัทธาในศาสธนธรรมของพระพุทธเจา้านันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรมันจะยิ่งใหญ่เท่ากับการที่จะมารู้เห็น เห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของธรรมเห็นโทษของกิเลสไม่มีคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องศินเรื่องธรรมเรื่องคุณเรื่องโทษทั้งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ลอยคออยู่แบบไม่มีฝาไม่มีฝังแต่ถ้าเข้าใจเรื่องเหล่านี้บ้างแล้วเนี่ยจะเริ่มมีฝามีฝังโอ้จะเริ่มรู้จักฝั่งนี้จะเริ่มรู้จักฝั่งนู้นและพยายามตะเกียกตะกายว้ายไปถึงฝั่งนู้นมีความหมายของผู้ที่ตั้งใจออกมาบวชออกมาบวช บรรปิชาบรรปิชาถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมประจำโลกนั่งเดิมมาสมัยพุทธสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เมาบัตรพวกฤาษีชีไพรายเขาก็เข้าไปบวชในป่าบําเพ็ญพรหมวิหารได้ฌานได้ได้ฌานสมาบัติบางทีเขาได้ทั้งรูปสมาบัตรด้วยซ้าไปได้อรูปฌานรุในสมัยพระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาแล้วเนี่ยรูปอาจารย์ของท่านนะได้รูปสมาบัติได้อรูปสมาบัติ อารมณ์ผสมมาพัชยสงบลเลยเหียดไม่มีอะไรเท่าแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มาดำมรรคเกิดปัญญาเพื่อที่จะไปตัดรักตัดเงาของอวิชชาตันหานะปัญญามันไม่เกิดสงบอย่างงั้นนี่ยอิ่มแพร่อยู่กับความสุขอย่า ง, ง น, นั้นแหละสมมติตายไปก็นู่นไปเกิดบนพรมโลกในรูปประพรมในอารูปประพรมรูปประพบอารูปประพบไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัส ไม่เกี่ยวข้องกับกามอรถรถทั้งหลายของกามไม่เกี่ยวข้องอืมจริงเรนี่มีมาอยู่ประจําโลกแม้สมัยพระพุทธเจา้าของเราท่านตั้งความปรารถนาเป็นพุทธะเนี่ยท่านได้ชานสมมาบัติท่านท่านเหาะมานั่นน่ะอะสุเมธทัศนบทตนั่นน่ะเหาะมาทางอากาศพอมาเห็นเขากําลังปันน้นถนนทนทางเพื่อที่จะรองรับพระพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งก็ลงมาทําลงมาทํากับเขา ทำไปแล้วเหลือช่องไว้สำหรับพอเอาตัวเองพาดเป็นสะพานเอาแค่นี้แหละสร้างพิเศษสร้างกุศลพิเศษนไม่ยอมทําให้เต็มแหละเอาตรงนั้นแหละเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาท่านก็ยียไปบนนั้นเลยพระวิปัสสีหรือพระอะไรนะพระวิปัสสีหรือพระอะไรตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่แล้วก็พระองค์ก็ตั้งปณิธานออกปากเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สางปรมีอีกสี่อสองไขยแสนมหากับเนี่ยดูสิกระบมันจะเต็มตื่นขึ้นมาเป็นกรับกับเป็นอสองไขยขนาดน้ําก็เต็มเต็มตื่นขึ้นมาได้กว่าจะมาแบกช่องที่มันปิดม่านบังปัญญาตัวนี้ออกได้มันไม่ไม่ใช่ว่ามันจะออกได้ง่ายๆน่ะอุทกดาบทอลาราดาบทเนี่ยท่านมีอันนี้เนี่ยบังอยู่ไม่มีปัญญาที่จะออกเพราะปรามีไม่พอก็ได้แค่นั้นแหละแล้ววนแล้วก็ พอหมดอายุไข8ป0 0มื่สพันกับตกต ก, ตกลงมาอีกแล้วจะจะเป็นอะไรตามบุญตามกรรมไปแล้วก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเป็นยุคเป็นคราวไปแต่พุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นน่ะที่สามารถแหวกออกไปได้พน้พนทุกผลโทษในวัฏสงสารไปได้ไม่ต้องมีภพมีชาติไม่ต้องมาเกิดที่นู่นที่นี่อีกถึงแม้ว่าจะเกิดในภพสูงๆมันก็เปลี่ยนได้เพราะในภพเหล่านั้นมันมีวันเวลาจำกัด ในเมื่อมีวันเวลาจำกัดวันเวลาเรานะั้นมันหมดไปได้หมดไปได้แปดหมืนสี่พันกับเวลาน้อยเดียวแค่พระองค์สร้างบา ร, รมี 4, สี่อสงไข่แสนมหากับแค่แสนมหากับนี่ก็มากกว่าอายุบนพรหมโลกแล้วสร้างบา ร, รมีมาเนิ่นนานแต่ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้มาบัดท่านก็วนเวียนอยู่ในโลกกามาโลกรูปรโลกอรูปรโลกเนี่ยสับไปสับมาสับไปสับมาอยู่นี่แหละ แต่้าเกิดชาไหนพบไหนท่านก็สร้างบงเพ็นบา ร, รมีก่เป็นคนดีตลอดอมีบินบินน้อยเพางั้นน่ะมีแต่สร้างกับสร้างสร้างกับสร้างทำกับทำด้วยจิตสานึกที่ปรารถนาพาสัตว์ข้ามพ้นจากพบจากสงสารอี่เพราะฉะนั้นเราลํำพึง น, นินึกถึงเรื่องเราเก่าๆทานบนรรพชามาตาปีตุปฐานเป็นเรื่องที่มีมาประจําโลก ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมองเห็นเป็นเรื่องสําคัญและเอามาสอนต่อให้กับพวกเรามาตาปิตุปัฐานนี่ก็ถือว่าเป็นการสนองบุญสนองคุณเป็นการสนองบุญสนองคุณเพราะการสนองบุญสนองคุณนั้นเป็นมันเป็นเรื่องการทาอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละเช่นอย่างลูกไม่มีการสนองบุญสนองคุณของพ่อของแม่พอเวลาเราไปเป็นพ่อเขาอีกเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนใจเลีเ้ยวแลรัเราแหละและลูกบางคนฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างนี้ย โอ้ยบาปกรรมมันเท่าไหร่ดูพระโมคคัลาาลานันต์ปึ้งเดียวไม่ถึง5นาทีเอาแม่ไปฆ่าตัวเองได้รับกรรมมา500รอชาตินับเป็นชัดิชาติเรื่องการให้ผลของกรรมไม่ใช่ดับไม่ใช่ว่าทำหนึ่งได้หนึ่งทำสองได้สองเรื่องการให้ผลของกรรมน่ยมันได้เพิ่มภูนร้อยเท่าพันทวีร้อยเท่าพันทวีการทําความดีเหมือนกันเราทําความเบื่อมใสกับพระพุทธเจ้า แค่แว บ, บเดียวเหมือนฟ้าแลบแค่นี้ตายไปตอนนั้นนู่นได้สวรรค์บนได้ได้สวรรค์ได้สวรรค์ได้วิมานยิ่งใหญ่ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาแวบบเดียวแค่นั้นเองสิ่งใดก็ตามที่จะสามารถมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของใจของเราแวบบเดียวให้เราเปลี่ยนไปตามนั้นได้ใจของเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปได้ ก็เหมือนอย่างดวงวิญญาณของญาติผู้ที่ตกทุกข์ได้ญาติอดอยากลําบากทรมานเนี่ยเวลาอุทธรรมบุญแล้วญาติทําบุญและอุทิศส่วนบุญไปให้เขามีโอกาสม่านโมทนาเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิทันทีเหมือนอย่างพระยาพิมพิสารเนี่ยญาติเป็นเปรตของพระยาพิมพิสารเวลาทําบุญอุทิศส่วนบุญให้เขาหม่านโมทนาอันโมทนาปักเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิทันทีจากทุกข์ยากลําบากกันดานร่างกายดูแล้วไม่ ไม่น่าชื่นชมอะไรเลยได้รูปงามได้เครื่องประดับอย่างดีได้วิมานดีๆเป็นเทวดาชานนุชชนุษย์ขยับขึ้นไปอีกทันตาเห็นนี่คือคุณสมบัติของใจมันเปลี่ยนเปลี่ยนถึงขนาดนี้แหละก็เหมือนอย่างเราเข้าใจผิดนั่นแหละเราเข้าใจผิดพอเราเกิดเราเข้าใจถูกขึ้นมาปั๊บมันเปลี่ยนปั๊บขึ้นมาทันทีนี่คือคุณสมบัติของใจ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะรูะ้เราจะเข้าใจเราจะต้องจำเป็นจะต้องศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวเองตลอด อ, อยู่เฉยเฉยให้ตกไปตามอานาจของตัณหาเขาีมันมีแต่เพาะพูนพ่อพูนพ่อพูนถ้าเราหันมาเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็พ่อพูนเรื่องศีลเรื่องธรรมถ้าเราไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมขีเละมันก็พออพูนของมันเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติดั้งเดิมของมันมันมีมันมีมาอยู่ประจําโลก มันมีมาอยู่ประจําจิตประจําใจของคนของสัตว์เนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจึงเป็นคติตัวอย่างที่พวกเราถือเป็นเยี่ยงเป็นอย่างถึงแม้ว่าเราจะบวชแค่อทิตยษนึง10วัน20วันสองสเดือนแค่นี้มันก็ยังเป็นคติตัวอย่างทําให้เราไม่ลืม เ, เยี่ยงอย่างที่บรรพบรุษปราดบัณฑิตท่านถือมา ประพฤติมาปฏิบัติมาแต่ถ้าบวชมาแล้วไม่มีเพดานอยู่ไปเอาความตายเป็นเพดานอย่างนี้อยู่จนตาย อ, อันนี้มันเข้ากับเข้ากับหลักเข้ากับหลักที่พระสาวกฟังเทศพุทธเจ้าและตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญอบรมสังสมไปเรื่อยเพื่อพบคุณสมบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไป เราบวชตามขนบธรรมเนียมตามประเพณีเราก็ได้ครอบเราก็ได้ครอบปฏิบัติพอเราสิกออกไปแล้วคุณสมบัติเหล่านี้มันก็มีติดตัวเราไปเราไปครองคราวาสศิลธรรมของคราวาสก็มีการรู้จักรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมเราก็รู้จักเราก็ไม่พลาดจากประโยชน์คือคุณธรรมศาสนาธรรมของของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา พวกเราดูแลประยุงรักษามาก็ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียประโยชน์พระพุทธศาสนาก็ไม่เปลี่ยนหมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ในหัวใจของเราแต่ถ้าใครไม่สนใจก็คือไม่ได้ประโยชน์ถ้าใครสนใจก็ได้ประโยชน์ที่ไม่สนใจน่าเสียดายเสียดายประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะไม่รู้ดีกับกันเราจะได้มาประสบะพบเห็นเกิดแล้วท่านบอกว่าตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดยากเพราะ โอกาสที่เราจะตกไปอาบาดมีมากเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ประมาทถ้าเราประมาทไม่เป็นผู้เป็นคนตั้งแต่มีมีชีวิตอยู่นี้มีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ที่ว่าไม่เป็นผู้เป็นคนคือมีมีพฤติกรรมเหมือนสัตว์ด้วยแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังหละตายปุ๊บไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้มาอบัติเป็นมนุษย์อีกโอ้ยแล้วที่ไปเป็ยนตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นอสุรกาย ดีที่สุดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อยู่ร่วมกับโลกมนุษย์เราหนึ่งถือว่าดีที่สุดถึงขนาดก็คืออยู่ในกองทุกข์มันไม่มีความรู้ความเห็นที่จะมาศึกษามาพัฒนาตัวเองไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่พัฒนาไปไปได้เร็วหัวใจของมนุษย์นี่พัฒนาไปได้เร็วหัวใจของสัตว์พบชาติของเขาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อสนองกรรมกรรมเก่าที่เขาทําแต่พบชาติของมนุษย์นี่ไต่ไปสุดก็ได้สูงสุดก็ได้ ทำให้เร็วๆสุดๆไปเลยก็ได้พวกเราได้ยินได้ฟังและถือถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามอ้ายพร